ธรรมชาดกแผ่นที่4ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24ตุลาคม2553มีชื่อเรื่องว่าปิรินทวัฒชะผู้มีวาทะอันศักดิ์สิทธิ์ เวลาสวดกระถินโออยู่ในชุมชนสาธารณชนนะคนหมู่มากเราทำเอื อ, อ, อ, อ่ะผิ ด, ผดถู ก, ถกคนที่เคยบวชเตียงเขียนอ่านเข้ามาเลยมาเห็นแล้วมันมันยังไงเหมือนกับเราไม่ได้ฝึกได้ซ้อมเราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนอันนั้นเป็นหน้าตำหนิแต่้าพพวกเราคิดอยู่แล้วเนี่ยมันจะต้องเข้าชูชุมชนสังคม เราต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดและก็พร้อมการก็ให้ดูวิธีการซ้อมวิธีการนั่งไม่ใช่ว่าถิงนะเขานั่งที่รุ่นเขานั่งที่นี่มันก็ไม่เหมาะนะแปลว่าเราซ้อมกันเลยว่าเวลาเขามาผ้าจะต้องอยู่อย่างนั้นอุปโลกจะต้องนั่งอย่างนี้เวลาสวดกระถิน่นเวลาสวดจะต้อ ง, องทาอย่างนี้ เวลานั่งกระสวดจะเข้ามาตรงเข้ามาอย่างนี้เข้ามานั่งอย่างนี้ผ้าตรงอยู่อย่างนี้ต้องถวายผู้รับอย่างนี้อย่นี้เป็นต้นนะแต่เวลาเรานั่งสวดกระถินถ้าเป็นไปได้กันะผ้าต้องปิดเท้าของตัวเองเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะปิดปิดเท้ามันเรียบร้อยนะพราะมนอยู่ในชุมชนสาธารณชนนื้อสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ พวกเราฝึกซ้อมให้มันพร้อมถึงวันนั้นเราไม่ต้องพูดกันเป็นที่เข้าใจกันนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกท่านนะอันนี้ก็คือการที่จะเตรียมที่จะออกพรรษาคำประวรนานะตัวนี้สาคัญต่วนพระที่ท่านองค์สุดท้ายนะกูบาองค์สุดท้ายเนี่ย อันนั้นต้องออกเดือนสิบสองเพนตตัวนออกพรรษายังไม่ได้ะวันเดือนสิบเพนตมีองค์สุดท้ายน่ะต้องออกเดือนสิบสองเพนต์ยค่อยภาวนาออกพรรษาออกที่หลังเพื่อนอันนี้เพราะว่าเข้าพรรษาหลังอันนี้คือภาวินัยเราต้องตามทําตามหลักทำวินัยเพราะทาวินัยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้แล้ว อย่างที่ผมอ่านอธิการณสมธาเจตอย่างนั้นลหละการตัดสินทำวินยัยตัดสินด้วยอย่างไรอันนี้เราก็ต้องคิดเอาหลักพระธรรมวินัยมาเป็นกระจกเงาที่พวกเราจะพิจารณาเรื่องอธิกรอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องพิจารณาตามนั้นอันนี้ก็เหมือนการและการอยู่ด้วยกันเราก็ต้องมีวินัยเป็นเครื่องคุ้มครองศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้คือท่านพูดอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเเพราะว่าเราจ่งเคารบกฎหลักพระธรรมวินยัยถ้าว่าเราไม่มีหลักพระธรรมวินยัยคุ้มครองพระไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวินัยแล้วต่างควก็ต่างอยู่ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ผ่านไปตามที่ตัวเองมีความคิดเห็น มันก็ไปถูกต้องเราต้องพูดปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยทาวินยันยนี่ก็ไม่ได้อยู่กับผู้ใหญ่ผู้น้อยบางทีผู้ใหญ่อย่างผมอาจจะจาละเดือนก็ได้แต่ถึงยังไงเวลาจะพูดไปพวกก็พูดตามหลักแต่ถ้าว่ามันยังคาดเคลื่อนไหมพวกท่านทั้งหลายก็ต้องเอาอ่านในพระวินัยเข้ามาดูอีกนะ ถ้าพวกท่านดูในหลักธรรมวินัยมันแม่นหลองจากนั้นก็นมาผู้นอาจารย์พูดวันนั้นะตรงนั้นตรงนี้มันไม่ค่อยถูกนะธรรมวินยัยวินัยต้องไปอย่างนี้นี่น ะ, อะเออใช่เราก็พูดคาดเคลื่อนไปต่อไปก็ต้องได้ระวังอีกอืถ้าเป็นบทเรียนอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลักธรรมวินัยไม่ได้อยู่กับผมนะมันอยู่กับผู้ที่ศึกษาผู้ตั้งใจฝ่ายการศึกษาผู้ต้องการเรียนรู้เ ถ้าเรียนรู้ขึ้นมาแล้วก็นั่นนะบอกได้บางทีผมเนี่ยมันอาจจะจําความจํานี่ยละเลนแต่กับผมก็พยายามพูดที่ว่าที่ว่ามั่นใจในวการพูดแต่มั่นใจของผมอาจจะผิดคาดเคลื่อนก็ได้ความจําน่ยใครจะรับรองร้อยเปอร์เซ็นได้ยังไงมันไม่มีใครที่จะรับรองว่าข้าไปเจ้าจะไม่ลืมคงจะเป็นอย่างนั้นไปได้ความลืมมันรับรองไม่ได้หรอกมันจะลืมมันลืมหมดเลยนะทยํายังไงฮะ แต่ว่าความเคยชินเคยปฏิบัติมาเคยชินอยู่ในหลักธรรมวินัยนี้เคยศึกษามาอย่างนี้จนเคยชินแล้วอันนั้นคือความเคยเคยชินที่พวกเราจะต้องปฏิบัติตามศีลและวินยัยที่พวกเราเคยศึกษาและปฏิบัติมาจนเป็นอาจินเหมือนนั้น่ะเราใอย่จังที่ว่าเราจะไม่ยืนปัสสาวะเลย อย่างเนี้ยพอเห็นแล้วก็ต้องนัง่งถ้าเราไม่เจ็บป่วยถ้าเจ็บป่วยมีความจําเป็นแล้วก็รู้ว่าเอออันนี้ข้าไปเจ้าเจ็บป่วยไม่สา ม, มารถที่จะนั่งได้เอมันก็ถูกต้องตามพระวินัยอีกเหมือนกันเพราะให้ยืนปัจวะได้เ ม, มื่อเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยยืนอุจจาระยืนปัจวะได้อย่างเนี้ยอันนี้ก็คือเราก็าต้องทําตามวินัยอีกเหมือนกันแต่ถ้าาว่าเราไม่เจ็บป่วยเราก็ต้องนัง่งฮะอนันอนี้มันเป็นอาจินมันเป็น เรื่องราวที่เราลองปฏิบัติมาตั้งแต่วันเราบวชมันมันรู้เองทั้งหมดนะการอยู่การฉันก็ดีการไปการมาก็ดีเรื่องพรวินัยก็ดีการตัดต้นไม้ก็ดีการผภาของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ก็ดีอย่างนี้มันคล้ายๆว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นอาจินหรือว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราได้ศึกษามาแล้วปฏิบัติมาแล้ว ขึ้นมาเวลาเราก็ดูอะไรว่า น, นึกมันผิดวินัยนะมันผิดศีล น, นั่นแหละเพราะอะไรพะเราทามาจนเป็นอาจินเราทามาจนเคยชินต่อหลักธรรมคำสอนของพระไตรจานั้นเราจะล่วงละเมิดไปได้เพราะเรารู้แล้วอันนี้ก็คือวินัยที่เราศึกษาศีลสองร้ยี่สิบเจ็ดของพร ะ, ะแต่บางครั้งอาจจะมีเตีองพระวินัยอบับบทุกกฎ หรือว่าวิัยบางอย่างที่มันคาบเรียวกันอย่างเพศสัตว์อย่างนี้ผมหนึ่งอย่างแยกไม่ออกเหมือนกันไม่รู้จะเอาจุดไหนไมาแยกกันอีกเรื่องวิทย์ยตัวนี้รู้สึกว่าคุมเคลืเอมันกันเพราะมันยุบนั้นสมัยนี้ตามให้จิงรับประเคนเพศสัตว์เจ็ดวันเนี่ย บางทีมันก็เข้าน้ําตาลบ้างบางทียาเม็ดอย่างนี้บมันเคลือบน้ําตาลบ้างบางทีมันอาจจะมีส่วนกับน้ําตาลบ้างแต่มันก็อยู่ในขวดก็ไม่ถึงกับมันจะเสียหายอะไรแต่นี้เราก็มาพิจารณาถึงพระในครั้งพุทธกาลพระปิรินทวัตซาพระปิรินทวัทรวัตซาเนี่ย ท่านได้รับเอธะทะะว่าเป็นที่รักเคารพของเถวเทวดาทังหลายท่านเป็นที่เคารพของเทวดาทั้งหลายได้รับเอธะทะะจากพระพุทธเจ้าคือพระพิพรินทวัจ้านีท่านเป็นพรามแต่ท่านก็ได้ตั้งความปรารถนาในครั้งพระพุทธเจ้าปทุมุตระจากนั้นท่านก็ บ, บำเพ็ญ เห็นพระ พ, พุทธเจ้าปทมุตระตั้งภิกษุองค์หนึ่งในาศาสนาของพระพุทธเจ้าปทมุตระเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่ว่าเป็นเป็นที่ที่รักของเทวดาทั้งหลายจากนั้นท่านก็บำเพ็ญมาเรื่อยๆได้รับทั้งตั้งความปรารถนาในใจอย่างนั้นผลที่ฉุดท่านก็ มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เป็นสัตว์เกิดมาเป็นพราหมณ์แล้วก็มาบวชนะพอมาบวชแท้ๆท่านก่อนได้สําเร็จแล้วก็เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์แต่ว่าวาจาของท่านเนี่ยชอบพูดพูดแบบพอเห็นใคร มาจากไหนถอยคำ ว, ว่าถอยคำนี้เป็นติดนิสัยเลยว่างั้นเถอะจะไปไหนถอยเอามาเข้ามาในถอยเอารับอันนี้ไปถ่อยลักษณะนี้ก็แปลว่าถอยคํานี้แปลว่าติดพบติดป่าของท่านเลยว่างั้นเถอะพระสงฆ์ทั้งหลายก็เอ๊ะทาไมท่านว่าพระพิรินทวัตชาเนี่ยเป็นผู้เป็นพระรหัารทําไมพูดคํานี้ออกมาได้ยังไงเป็นวาจาที่ไม่สุภาพ เกียว่าคนถอยฮทำมาว่าถอยไปหน้าเลยวะไงใครมาเาพาไม่พระถอยฮแก็มามาโยมนี่ถอยเอาไปถอยไปว่าถอยไปว่อาอย่างพวกเราคงจะเป็นคนถอยเหมือนกั น, น, นต่อมาพระสงฆ์กลับฝูงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าปิรินทวัชชาเนี่ยเขาท่านไม่ได้มาพูดออกมาจากท่านจิตใจแต่ท่านติดปากท่านเป็นนิสัยของท่านนิสัยวาจนาเนี่ย พระอรหรนันต์แก้ไม่ตกมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ว่าละในิสัยลวาสนาแต่พระอรหรนันต์แก้ไม่ตกอย่างพระสารีบุตรเนี่ยเวลาเห็นคลองกระโดดข้ามคลองเห็นขอนไม้กระโดดข้ามคอนไม้เพราะเห้ไใดพระพุทธ อ, องค์บอกว่าน่ยสารีบุตรเคยเป็นลิงมาก่อนติดพพติดชาติแต่นี้พระปิรินทวัตช้าก็เหมือนกันท่านเกิดในสกุลพาลมณ์เกิดมาถึงห้าร้อยชาติติดต่อกัน ไทม์เนี่ยิงหญิงในสกุลแต่ดูถูกคนอื่นเห็นคนอื่นเราเรียกถอยมดเหมือนกันะเรียกไอ้ถอยมด เ, เพราหญิงในสกุลที้มาเกิดมาพบในชาตินี้ท่านก็เกิดในสกุลพราหมณอีกเหมือนกันพอมาบวชได้สําเร็จเป็นบวชเข้ามาแล้วก็ได้บําเพ็ญสาเร็จเป็นพระอรหันต์พอได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านนี่แหละแต่เป็นผู้วาจาศักดิ์สิทธิ์อีกต่างหากได้เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เนะี่ยใครจะไปดูถูกท่านไม่ได้ท่านะบาปเหมาอนกัน แต่ท่านพูดให้คนอื่นพูดได้แต่ใครดูถูกให้แกท่านไม่ได้เหม น, นันท่านทีนี้ท่านวันหนึ่งท่านเดินไปบินธบาตมีโยมคนหนึ่งเอาเขาเอาบรรทุกดีปีเหงอนนเดีปรีไปขายในเมืองแล้วก็มีถาดมีถาดใบหนึ่งที่ใครๆมาเป็นการโฆษณาในในในเวียนของเขาเหมือนกันเให้คนเห็นว่านี้เขาขายดีปรีนะันเนาะนั้นะ ทีนี้เดินไปนั่งนั่งเกวียนไปไปพบพระเถระพระกิรินทรวัฒชะเนี่ยท่านก็ถามว่าอ น, นั้นอะไรคนอะไรไอ้ถอยเอนอยู่ได้ทานอะไรไอ้ถอยอนอันนี้ก็โมโหขึ้นมาทันทีคนไม่เจอหน้ากันมันเรียกถอยได้ยังไงก็เลยว่ากันขี้หนูสมณะแบะแบคล้ายๆว่าเน ตามมือจริงเป็นเป็นปรีดีปลีแบบนั้นเถอะขี้หนูสมณะเออให้มันเป็นอย่างนั้นนะเนยทีนี้ก็พอนั่งนั่งตั้งเกวียนไปพอนั่งเกวียนไปมาเนี่ยมันเหมือนกับขี้หนูเลยวะ่ะพอมาบีดีปลีท เ, เนี้บอบบกว่ามันมันเป็นมันเป็นขี้หนูจริงๆริงเหมือนขนาดในถานมันเป็นขี้หนูในเกวียนเป็นยังไงวะ พอไปอยู่ในเกวียนไปบี้เดีก็เป็นขี้หนูหมดทั้งเกวียนเนี่ยโทษตายจิบหายเลยท่นี้มันไม่มีใครอื่นข้องจับสมณะองค์ที่ผ่านนิดไปเมื่อกี้นี่แน่แนะ่ะเลยเราว่าบอกว่าขี้หนูเลยทั้งที่เราเป็นไม่เป็นตีปลีเพราะเราโมโหให้ท่านนะถ้าหัวมันจงจงเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนละจากนั้นก็จอดเกวียนไว้แล้วก็ตามหาท่านเลยท่นนี่ ตามหาท่านแบบเข้่งเครียดไปงั้นเขาก็ถามว่าคุณจะไปไหนผมไปตามหาสมณะพระศักยะบุตรน่ะที่ท่านเจอกันเพราะเหตุไรเพราะท่านไปเจอผมเพราะว่าไอ้ถอยผมก็เลยนึกโมโหในใจผมก็เลยบอกว่าเอขี้หนูสมณะทั้งที่ถามอะไรในในถาดนะไอ้ถอ ย, อยแต่นีน้เป็นขี้หนูจริงๆโอ้ยใช่ ท่านต้องไปขออภัยนะมัแล้วไปขออภัยทำยังไง่คนนั้นว่าเอาถาดไปเลยเอาถาดตีปลีไปเลยครับไปต่อหน้าท่านบอท่าหน้าท่านเออท่านหวดท่านน่ะท่านบอกทำมาอะไรท่านไอ้ถอยโอ้ยสัมภณะท่านเนี่ยถาดของเข้าไปเจ้าเนี่ยเป็นดีปลีครับผมเออท่านเออถ้าเป็นตงเป็นอย่างนั้น เ okay. ท่นี้ก็บพ่อเป็นอย่างนั้นเละท่านต้องดูในถาดของท่านเองมันเป็นดีปรีไหมแต่ปินดีปีนในเกวียนของท่านก็คงที่เป็นดีปรีทั้งหมดแต่นี่ก็ได้รับคําชี้แจงจากอุบาสกคนนั้นก็เลยไปอย่างที่ว่านะไปเจอท่านจริงๆไปยืนต่อหน้าท่านท่านกระถามอย่างนั้นจริงจริงและกระตอบอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ปินดีปรีขึ้นมาก็เลยโอ้เอดีอกดีใจแต่แกก็เลยกลับมาก็แล้วของไปขายทําไมางั้นเลย ตีปรีเต็มเกวียนเป็นขี้หนูทั้งหมดนะมันก็จิบพายเลยทีเจากนั้นต่อมาท่านก็ไปอยู่ถ้ำในกรุงราชคือถ้ำท่านพ่ะเจ้าพิมพิสารเดินตรวจที่พักของพระสงเทตเดินเข้าไปตรวจการงานท่านไปเห็นพระพิรินทรวัฒชชาในะกำลังตกแต่งถ้ำอยู่องค์งเดียวท่านกำลังดูอยู่ท่านก็ถาม ท่านนท่านพิรินทวัตทวัตชะท่านทําไมไม่ให้ผู้เกิดมาตกแต่งถ้าท่านบอกโอ้อันนี้ยังไม่ได้รับคําสั่งหรือว่าได้รับอนุญาตจากพระพุทธเจา้าข้าพเจ้าจะไม่กล้าไม่กล้าทําพระเจ้าพิมพิสารก็เลยบอกว่าขอพระคุณท่านไปกราบทูลพระพุทธเจา้าถ้าต้องการโยมผู้มาช่วยทําแล้วก็บอกบอกโยม โยมก็จะจะส่งคนมาช่วยทำทำที่พักของท่านให้ถวายท่านแต่นภาพปิรินธ ร, รวัชชาก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าพิมพิสารมีความประสงค์อยากจะมาช่วยจัดการที่พักในถ้ำให้ข้าพระองค์พระพุทธองค์จะทรงอนุญาตไม้หนอพระเจ้าข่าพระองค์เอื้อออนุญาตไปทําได้ที่พักในถ้ำแต่ด้านก็นเลยกลับมา กลับมาพระเจ้าพิมพ์ิสานลืมเต็มเพราะท่านมีกิจจุลกิจการงานมากเลยท่านคนลืมลืมถึงห้าร้อยวันเหมือนกันห้าร้ยวันก็ปีกว่าน่ยปีหนึ่งมันอยู่สามร้อยหกสิบห้าวันใช่ไหมอันนี้มันตื่ลืมลืมถึงห้าร้อยวั น, นพระเจ้าพิมพ์ิสารระลึกได้โทตายเราได้รับปากกับพระเทเรซแล้วเราลืมจริงๆก็เลยเข้าไปกราบพระเทเรซเลยข้าพุทธองค์ลืม ลืมได้รับคําไปแล้วเอาเถอะข้าพระองค์จะส่งคนห้าร้อยคนมาช่วยจัดการทําทําให้พระผู้เป็นเจ้านะ่ยจากนั้นก็เลยส่งคนห้าร้อยคนเหมือนกันเนละมาทํางานช่วยพระเจ้าช่วยพระปิเรนทราวัต ช, ชัก็เลยตั้งครอบครัวตั้งหมู่บ้านอยู่อยู่ในหมู่บ้านแห่งวัดนะมอบทั้งห้าร้อยคนเลยให้เป็นดูแลเป็นผู้ดูแล พระ ป, ปรินทรวัตรเช่างั้นได้แต่ในตระกูลนั้นก่อนนี่ยทำงานช่วยตลอดเลยแต่ใ้วันหนึ่งพระรินทรวั ช, ช่าท่านก็ไปบินทบาตในหมู่บ้านเขาพอไปบินทบาทไปเห็นอคนจนแต่เป็นคนอุปถัมภ์ปฐาวัดน่ะไปทุกวีทุกวันดูแลวัดลูกของเขาเน่อยอยากจะได้อยากจะได้เครื่องประดับว่างั้นได้ อยากจะได้เครื่องประดับพอเขามีการละเล่นนักขัดนักขัดตะเลิกเย่างเหมือนเดือนสิบสองเพนนะใครก็ว่างานปีใหม่ของเขานะีอยากเด็กเมื่ออยากจะได้เครื่องประดับเข้าไปในงานพ่อปิรินทวัดช้าเห็นแล้วเด็กมันร้องไห้มันอยากจะได้เย็กกำลังวัยรุ่นเหมือนกนท่านก็เลยเย็บฟางมาสิบเซนฟางเอาเอาเป็นเครื่องประดับซะเด็กคนนั้นก็เลยได้เครื่องประดับมา โอ้ใส่หมวกเป็นหมวกอีกตัางหากแล้วก็ใส่เครื่องประดับในคออีกตัางหากเลยนะสวยงามเป็นทองคําทั้งหมดทีนี้เขากลล่ำเรือเลยเนะี่ยมันออกมาจากไหนคนจนๆอย่างนี้เครื่องประดับอย่างนี้มันต้องไปขโมยออกมาจากในเวียงในวังแน่ๆนะตอนี้พระเจ้าพิมพิสารรู้เห็นก็เอาไปสืบซิไปจับมาเสีซิมันไปขโมยของในเวียงวังไปนี่จเปล่าเลย ก็เลยจับเข้าไปจับไปวยพระเจ้าพระปิรินทรวัชชาเนี่ยท่านก็เลยเข้าไปไปตามเนยเพราะมันมันเรื่องความจริงไงท่านรู้เนี่ยท่านก็เดินเข้าไปไปเจ้าพระเจ้าศัตรูก็เลยว่าเนี่ยเาขามีจับมาอย่างนี้เพระพระปีรินทรวัชชาท่านก็เลยนินลามิตรอปราศาสทองคาให้แก่พระเจ้าพิมพิสารเมื่อน นี่เราไม่เคยเห็นเลยพนระงั้นพระเจ้าพิมพิสารเห็นโอโ้พระผู้เป็นเจ้ามีอิทธิฤทธิ์จริงเนะี่ยก็เลยปล่อยเด็กคนนั้นออกมาเลยปล่อยเด็กออกมาเนะี่อันนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ของพระเถระเองนะจากนั้นท่านก็ท่านก็ออกมาเลยออกมาจากมืก่อนท่านก็มาพักอยู่ที่วัดจากทั้นคนทั้งหลายก็เห็นว่าพระปิรินทรวัฒชานะี่ยเป็นผู้มีบุญวัด ชนาบุญอยากบุญหนักสักใหญ่ถึมีอิทธิฤทธิ์ต่างคนก็ต่างมากราบมาไหว้เอาถวายพวกเพศสัตว์เถอพวกเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยใครมีแล้วก็ถือมาท่านก็มีบริวารมากพระสงฆ์ที่ไปอยู่ปณิบัติทู่ไปอยู่เป็นลูกศิษย์ของท่านพอรับคนออกมาถวายท่านก็อมา ไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนว่างั้นมันคงจะไม่มีขวดมีที่เก็บเหมือนทุกวันนี่ท่านก็มาใบตองกล้วยห่อบ้างเอาไปแขวนไว้บ้างทั้งนมทั้งเลยมีทั้งหนูทั้งข้างคงข้างเขามีทั้งมดอะไรมากินท่นี้พวกญาติโยมเขาก็เดินชมวัดว่างั้นไปเดินไปเห็นโอ้โหทำไมสมณะศากยาบุตรเนี่ย เอาเภสั์แขวนพลุงพลังไปหมดเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึงน้ำอ้อยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเหมือนกับเป็นพ่อค้าใหญ่ที่จะขายสิ่งของอย่างนั้นนะไม่สมควรที่สมณะจะมามีของพลุงพลังอย่างนี้แต่ได้เขาก็โผลธนาตีเตียนพระพุทธองค์ทราบข่าวพระสงฆ์หลายก็ไปกราบทูลพระพุทธจยาวันเนลูกิของพระเปรินทรวัฒ ช, ชานี่ สะสมเภสัชทั้งห้าเนยใสเนยข้นน้ำพันน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเหมือนกับคารวาสเขาพระ อ, องค์ก็เลยทราบอย่างนั้นจริงไหมพระ อ, องค์เรียกไปถามจริงเยพอจริงพระ อ, องค์เลยบัญญัติพระวินัยขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็าตามสะสมเภสัชทั้งห้าคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเกินเจ็ดวันไป ต้องนิจสกียปายจิติต้องเสียสละเสะก่อนจึงแสดงอวบ ต, ตกเนะีอันนี้คือคือพระวินัยเกิดขึ้นกับถูกชีดของพระปิริรชชนทร瓦ชะจากนั้นก็ตั้งพระวินัยแต่พระปิริรชชนทร瓦ชะเทวดาเคารพท่านมากรักท่านมากเคารพท่านมากไปมาสาสู่ทุกวี่ทุกวันนะพระองค์ก็เลยตั้งท่านก็เลยตั้งให้พระปิรินทร瓦ชะ เป็นที่มากเลิศกว่าพิสุทั้งหลายเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายทาไมท่านจึงเป็นที่รักของเทวดาสมัยก่อนท่านเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในเมื่อท่านเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิใครมีความเดือดร้อนทุกข์ใจที่ตรงไหนพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นผู้เสียสละมอบข้าว ชาลงชาเลีข้าวอาหงอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างใครต้องการอะไรพระเจ้าจากักรพรรดิมอบหมายให้ทีนี้พวกบริษัทบริวารของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเป็นผู้มีศินอะไรเป็นผู้ทรงสินเป็นผู้มีสินท่าสินอุโบสถตามแนวแถวที่พร ะ, พระเจ้าจากักรพรรดิเป็นผู้แนะนำจากนั้นเขาตายประกอไปเป็นเทวดาเนี่ย เป็นบริวารของท่านตายเทวดามเป็นคนเท่าไหร่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านๆเลยเป็นเทวดาบทเทวดาเหล่านั้นล่ะที่เป็นบริวารของท่านแต่เก่ามาแสดงความเคารพในพระเปรินทรวัชชะที่ที่เป็นท่านเป็นพระรหานและก็เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาก่อนนี่แหละคืออันนี้ก็คือเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ในครั้งพุทธกาลท่านก็เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายและก็พร้อมกันที่ผมพูดเบื้องต้นว่านีเรื่องเพศสัตว์ทั้งห้าเนี่ยคือต้นต อ, เ ร, อเรื่องราวการสะสมเพศสัตว์เป็นอย่างไรในีก็คือเพราะปิรินทรวัตชาลุกศิษย์ของท่า น, นคือไ ม, ม่ให้สะสมใครเขาว่าเก็บเป็นที่ลังเกียด เป็นที่ตําหนิของคนทั้งหลายเหมือนกับเป็นพ่อค้าวานิชอย่างนั้นนะของพลุมพลังเต็มไปหมดไม่เหมือนกับส ม, มณะผู้มักน้อยสันโดษนี่แหละสรุปแล้วก็คือให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้รู้จักที่ไปที่มาในการเป็นอยู่อย่าไปใช้หนูลราโออาฟุ้มเฟือย เ, เราเป็นส ม, มณะเป็นพระ เป็นคีย์ตำหนิของคนทั้งหลายอันนี้ก็คือยุคสมัยนั้นที่ท่านบัญญัติวินยัยมีเหตุจะก่อนท่านจึงบัญญัติวินยัยอันนี้ก็คือสินที่ผมพูดมาทั้งหมดนะั่คือสินแล้วทนเป็นข้อข้ออันนี้ก็คือเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยแล้วความสงบพร่มเบญนผาสุขก็จะเกิดขึ้นในสง ในกลุ่มนั้นในยุคนั้นสมัยนั้นท่านสงเป็นผู้มีศินถ้าสงเป็นผู้ไม่มีศินแล้วก็มีแต่อรชิตาผู้ไม่มีความละอายต่อบาปผู้ไม่เกรงกลัวต่อบาปเป็นผู้ดื้อด้านต่อหลักพระธรรมวินยัยไม่เกรงไม่เคารพในพระธรรมวินยัยไม่เคารพซึ่งกันและกันไม่มีผู้น้อยไม่มีผู้ใหญ่อันนี้แปลว่า อาราชิตาเป็นผู้ไม่มีความละอายไม่มีศีล า, ารวัตเป็นผู้ไม่มีสินถ้าไม่มีสินแล้วธรรมจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสินและธรรมเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่องกันถ้าเป็นผู้มีสินยังอยู่ด้วยกันมีความพร้อมเพียงสมัครีกันไม่บาดหมางกันไม่ระแวงแขงใจกันให้อาภาัยกันรักกัน เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนอวัยวะต่างคนต่างดูมองกันในแง่เหตุผลอย่าไปมองกันในแง่ร้ายรักกันแต่ไม่ใช่รักกันแบบคุยกันทั้งวีทั้งวันไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมั่วสุมกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่รักกันด้วยจิตใจรักกันด้วยคุณธรรมรักกันด้วยความเมตตาอารีกันสงเคราะห์นุเคราะห์กันเอื้อเฟื้อเอือคุณอุดหนุนกัน ต่างต่างคนก็ต่างอยู่ด้วยความผาสุขไม่คิดระแวงแคลงใจกันต่างองค์ก็ต่างไว้เนื้อเชื่อใจกันต่างองค์ก็ต่างภาวนาของใครของเราต่างอกตั้งใจภาวนาหาทางพ้นทุกข์ของใครของเราใใจิตใจของแต่ละคนก็จะหมุนไปในทางสงบสุขเพราะว่าไม่มีเรื่องที่จะต้องมาคิดในเรื่องความสงสัยไม่ได้คิดว่า มันจะมีความพยาบาทอาฆาตซึ่งกันและกันในเมื่อภาวนาใจของแต่ละคนก็เข้าสู่ความสงบได้ได้ง่ายแต่พวกเราท่างว่าทะเลาะหิแว้งกันอยู่แล้วไปภาวนาไม่มีหวังเห็นกันเมื่อไหร่ก็ตาเกี้ยวใส่กันมันกัดกันอยู่ข้างในอย่าหวังเลยความสงบรล่มเย็นเป็นจุกจะเกิดขึ้นแปลว่าอยู่ในพรรษากระทุกทางพรรษาเพราะเหตุอะไรเพราะ มันใจของเราไม่ได้รับความปล่อยวางไม่ได้รับความสงบเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นพวกเราต้องคิดนะนะไปอยู่ราชธานที่ใดก็าตามเราไม่ได้อยู่เพื่ออยู่ร้อยวันพันปีเมื่อไหร่เราอยู่เพื่อสังสมคุณงามความดีเพื่อแ ส, สวงหาทางพ้นทุกข์ข้าพเจ้าจะไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารใครจะมาจองโรกนกี้่แต่จองไปเถอะ ขอใครจะจองหีบจองลงจองพบจองชาติก็จองไปเถอะแต่ข้าพเจ้าะขอชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของข้าพเจ้าก็แล้วกันถ้าคนคิดว่าขอเป็นชาติจุดท้ายชาตินี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมีแต่มุ่งหวังหาทางพ้นทุก์อย่างเดียวมีแต่ปล่อยวางวางที่ไหนวางที่ใจให้อภัยที่ใจวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ เรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันกับผู้ใดใครผู้หนึ่งก็ตามเอให้โอ้โหสิไปหมดข้อสําคัญให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข้าพเจ้าอยู่ขอพ้นทุกอย่างเดียวไม่มาเวียนขอไม่มาเวียนไหวตายเกิดขอปล่อยวางขนาดร่างกายของเราเนี่ยเราก็ยังไม่คิดว่านึกว่าเป็นของเราใจของเราแท้ๆนะความนึกคิดยังไม่ใช่ของเราอีกเดี๋ยวก็คิดดีเก็คิดชั่วเดี๋ยวก็คิดบาปเดี๋วก็คิดบุญแล้วก็คิดบาป เรื่อกับเป็นอกุศลแล้วก็เป็นกุศลกุศลคือความคิดที่ถูกต้องอกุศลกือคิดไปนในทางที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวมันก็ดําเดี๋ยวมันก็ขาวเดี๋ยวก็มืดเดีเ๋ยวก็สว่างอยู่ในจิตในใจของเราเนะี่ยแต่นี่เราจะเป็นของเราได้ยังไงใจของเราเป็นอย่างนี้เราก็ยังไม่เชื่อมัน่นเราจึงไม่ยอมรับพอใจของเราเป็นอย่างนี้นั่นะกระทั้งปล่อยกระทั้งทิ้งขนังใจอีกเ้ทิ้งทั้งสองเงื่อนอลไวประมาณเถอะทิ้งทั้งบุญทิ้งทั้งบา ทิ้งทั้งดีทิ้งทั้งชั่วปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมันก็ทั่งใจนี่แหละในเมื่อเราทําอย่างนั้นได้เราถึงจะทำไม่ได้เราก็พยายามทําทําหลายครั้งต่อหลายหนผลที่สุดมันก็ต้องรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยถึงเห็นเห็นเห็นโทษเห็นคุณเห็นคุณเห็นโทษเห็นโทษเห็นคุณเห็นคุณเห็นโทษจากนั้นเราก็ปล่อยวางปล่อยวางที่ใจของเราไม่ไดปปล่อยวางที่ไหนนะ มรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนะอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความปล่อยวางนั่นน่ะนี่เราขอให้พวกเราพวกทุกท่านนะการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะเพ่งมอกอย่าไปเพ่งนอกให้เพ่งอามาหาใจของตนเองถ้าคนที่เพ่งมาหาใจตัวเองนั่นนะไม่มีปัญหาเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเลยมันหยุดหยุดเพียงแค่นั้นถ้าเราคิดไว้เราอยู่จะเป็นผู้คลองโลกจะเป็นผู้ถูกต้องจะเป็นผู้ตัดสินใจของโลกจะเป็น ใหญ่ในโลกเราจะเป็นฮีโร่ของโลกนะนั่นแหละคนนะั้นจะแบกโลกจะไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขในจิตในใจเพราะไม่รู้จักปล่อยมิถุนักใจอยู่ตลอดเพอเพอหะนะ้าหกหน้าง อ, างงอมีแต่ความทุกข์ในใจเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางวางก็ให้วางเป็นที่เป็นทางวางเป็นศีลวางเป็นธรรม ไม่ใช่ ว, า, วางแล้วปล่อยปัจได้เลยสิ่งที่ชั่วขนเข้ามาฮะหายใจของตัวเองปล่อยความดีออกไปเอาความชั่วเข้ามาอันนั้นไม่ถูกนะปล่อยสวรรค์ไปเอานรกเข้ามาไม่แทนที่อันนั้นไม่ได้ต้องปล่อยนรกออกเอาสวรรค์เข้ามาจะได้ก็ปล่อยทั้งสวรรค์อีกปล่อยทั้งนรกอีกวางทั้งนรกวางทั้งสวรรค์อีกนั่นแหละอันนั้นคือวางแท้แน่นอนแต่อันดับแรกเราก็ต้องวางความชั่วซะก่อน คึดความดีไว้ก่อนแต่ต่อไปถึงที่สุดแล้ววางแทั้งความดีวางแค่ทั้งความชั่ววางแทั้งใจนึกคิดของตัวเองนัน่นแหะใจของเราจะเป็นใจที่บริสุทธิ์ผุดพองความโง่อยู่ที่ไหนความฉลาดมันเกิดที่นั่นเมื่อเรารู้นะเหมือน เ, เราไม่รู้หนังสือแต่ก่อนเราไม่รู้หนังสือเราก็โง่แต่เรารู้หนังสือขึ้นมาเราก็รู้นะ่ะเราก็ฉลาดไนงะพอเรารู้แล้ว มันเกิดมาจากที่ไหนความโง่โงกับความฉลาดมันเกิดมาที่เดียวกันในเมื่อแต่ก่อนเราไม่รู้แต่วันนี้เรารู้แล้วกับความฉลาดเกิดขึ้นตรงนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่มรรคผลในพานสมัยก่อนก็เป็นอวิชชาอยู่ในจิตใจแต่พอเรารู้แล้วก็เป็นวิ ช, ชาเอเป็นวิ ช, ชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงจากนั้นก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น เบือ่อนายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะนี่แหละำคำคําสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วไม่หนีจากใจนะให้พวกเราหมุนเข้ามาหาใจใจนี่แหละเป็นตัวการใหญ่ใจเรื่องเราทั้งหลายออกมาจากใจทั้งหมดพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารได้คือใจวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่ที่อื่นไม่ใช่ที่อื่นนะอันนั้นคลายว่ามันเป็นฐานขึ้นมาเฉยๆเป็นฐานก็มา ตั้งรากตั้งฐานขึ้นมาผลที่สุดเราจะเอาต้นไม้เราปลูกขึ้นมาเพื่ออะไรหวังผลหรือหวังแก่นถ้าหวังผลก็เราก็ต้องได้รับผลถ้าเราหวังแก่นเราก็ต้องได้รับแก่นนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราสั่งสมคุณงามความดีอย่างที่พวกเราได้พบไดประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่การอยู่ด้วยกันการกา ร, รักษาศีลภาวนาทํากิจวัตรขอวัด ทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นคือฐานถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นฐานไม่เป็นต้นเป็นลําแต่จุดหมายปลายทางของเราจริงๆก็คือความพ้นทุกข์ไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดอีกขอให้พ้นทุกนวำตะสงสารอันนั้นคือจุดประสงค์จุดในใจของเราเออพอเรามาเกิดอีกกันอย่างว่าเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็าไม่แพ้ชาตินี้หรอกเกิดมาชาติไหนก็ต้องกินข้าวเออกินข้าวแล้วก็ต้องไปถ่าย กินน้ําแล้วก็ต้องไปปัสสาวะตื่นทนกวัาาแล้วก็ต้องไปนอนนอนแล้วก็ต้องตื่นมาก็ต้องทําการทํางานต้องหายใจต้องเป็นอย่างนี้ทุกภพทุกชาติเพราะนั้นพวกเราเกิดมาพบในชาตินี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วลน่าจะเสาะแสวงหาไม่มาเวียนไหวตายเกิดตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าให้ชําระใจพระพุทธเจ้ามาให้ชําระใจให้ดูที่ใจถ้าไม่มีกิเลสราคะโภชโมหะอยู่ในใจแล้วนะใจบริสุทธิ์หลุดพน้น จบถ้ายังมีกิเลสอยู่ไม่จบนะจะต้องมันมีเชื้อจะต้องบกพุุนเวียนมาเกิดอีกเป็นอนันตการนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุติในการพูดในการแนะแนวให้แก่หมู่เพื่อนในฟังได้ศึกษาข้าต่อนนี้ไปนั่งสมาธินะั่นนี้นะ